อยากจะพูดจักเสียงหนึ่งมีสิทธิสักเสียงหนึ่งไม่สละสิทธินการเลือกตั้งสโสโสโอโอว โ, โตกำนันผูน้ยห่บ้านขใช้สิทธิ์เสียงหนึ่งตามระเบียบ บอกความท ด, ดความจริงที่มีชีวิตอยู่กับเพื่อนกับโลกอยู่ร่วมกันหลายชีวิตเราให้มีกอเป็นส่วนร่วมกับความถูกต้องชอบธรรมอันได้มาจาก ที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานโก๊กออมทั้งปอดถอมคำสนอนเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกเป็นไปเพื่อปรรัจิุพานก็มีผู้เชื่อฟังหมู่ชนเชื่อฟังคำสอนพากันปฏิบัติชอบตามทําให้ไหนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็รู้ยิ่งเห็นจริงนะรอม ที่ควรลูกควรเดียนยวต้องควรปฏิบัติเกิดพุทธ บ, บริษัทขึ้นมาในโลกมีภิกษุภิกษุณีวบาสกบาชิกาวบาสกบาชิกาแต่ละคนที่สมัยข้างพระเจ้าก็มีความสาคัญชนนาธ า, าวินธิกกเชลีสร้างวัดแรก สร้างวัดขึ้นมาพระเจ้าพิพิสารสร้างวัดแรกขึ้นมาในโลกนางวิสาขามาวาชิกาขอมีส่วนร่วมเห็นภาพมันมีผ้านุ่งผ้าหม่มขอทอดกระถิน่นขอญาติทอดกระถิน่นในตามกาลตามฤดู ผ้าอาบน้ำผลนผ้ากระถิ้นเป็นความชิดของผู้หญิงคนหนึ่งความชิดของผู้ชายคนหนึ่งที่เราได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้มีวัดวาอารามมีอาหารวินท บ, บาทมีเครื่องนุ่งหง่มมียารักษาโลก จนมาถึงทุกวันนี้ถึนความคิดของคนผู้หญิงผู้ชายว่าศกตัวผู้ชายว่าสิการหรือเปล่าผู้หญิงเราก็มีชีวิตเลือดเนื้อร่างกายเหมือนกับคนสมัย600ปีมาแล้ว 2,600 ปีมาแล้ว2ก0 0อยส้ ปีกับสี่เดือนที่ผู้เจ้าบัรขึ้นมานี่แล้วเราจะทำอย่างไรมันเป็นป่านนี้มาแล้วความเทิดความจริงเกิดอยู่ที่คนเราจะทาอย่างไรเมื่อเรามีศรัทธาเราได้ฟังธรรมกัศรัทธาเชื่อแน่แล่ว่า วความเชื่อทำความดีได้ทุกๆเรื่องที่มันเกิดกับขึ้นกระใจเรานี่เราเชื่ออย่างนี้ทําดีและความเชื่อก็ได้ความดีขึ้นมาเกิดศรัทธาความเชื่ออย่างนี้เมื่อมีความเชื่ออย่างนี้ก็ทําความดีไม่ทั่วถอย เพื่องมือทำกรมดีก็มีกาวมีใจมีขามีฉินมีคำพูดคำจาสื่อภาษากันได้ออกกันได้ช่วยกันได้อันที่เกิดกมดีมือ5หนิ้วฉ0บนิ้วนี้สร้างโลกได้ก็ว่าถ้าจะวาาแล้วลให้มันกิ้งใหญ่สักหน่อยชีวิตของเราคนหนง ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอะไรที่มันเป็นล่องลอยแห่งความดี้อยมือ้อยสติปัญญาลอยแรงงาน้อยหยาดเหงื่อของเราให้มันเกิดขึ้นมาได้บ้างอย่าให้มันทำอะไรแับรัดแคบ แม้ต่การออกการสอนถามการปฏิบัติธรรมแบช่นกันชีวิตคนเรยมันยิ่งใหญ่นะสามารถอบผุ้มอะไรเยอะแยะได้ความดีมีศรัทธามีสติมีความสะอาดความสว่างความสงบเป็นไปวดเละเป็นทาง ความดีมีหลาลายอัยวะลาสโสหลวกสงบสติึกษาอกอริสัจสีอริยมัรโลภะโทสะโมหะอากาศหายใจอาหารการิน อารมณ์อนามัยให้ดีอนุรักษ์ใครเป็นหลายอ๋อโอ้ยอบหอ บ, อ บ, อบรวยเลยรวยความดีบัญจุลงปล่อยในการในใจเราเนี่ไม่เต็มเหมือนกับอะไรเก็บข้อมูลเลดีไว้เยอะแยะ เหลือชิ лек, <that> ้นเหลือช้แบ่งคนอื่นแบ่งให้สัตว์เละสิ่งแบ่งให้ธรรมชาติแบ่งให้อากาศแบ่งให้น้ำแบ่งให้ตะนไม้เอะยะเลยรวยรวยเพิ่มยนคิดลอต่ยิ่งใสอนเมตตาคุณอาหา้อไหที่คุณอภิมัญญาไม่มีขอบเขตแต่โลกนี น้อยก็เกินชีวิตเราเไม่เพียงพอแต่การทำความดีอะไราช้มันดีๆยิ่งเรามาอยู่ที่นี่มีเพื่อนมีมิตมีพระสงฆ์มีแม่ชีมีอุบาสิกา ม, มีวาสุกมีชาวบ้านก็สือสารกันให้มันดีๆอุ้มกันดีๆพอจะอ ย, ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตา แต่ปอยู่ทื่นก็ทำความดีแยกกันไปทําความดีเป็นครอบเปน ค, ครัวรสร้างสังาขารขนในครอบครัวรสร้างความสมดุลสร้างความเป็นธรรมเกิดขึ้นในครอบค ร, วรัวเราจะมีลูกเป็นหลานก็จะได้ลูกหลานเป็นคนดีเป็นแบบพิมพ์พ่พิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีเด็เล็กแต่ๆๆน้อยยิ่งใหญ่ขึ้นไป ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์เจ้โลกประโยชน์เจ้าภาษาสนาพระเจ้าสรเสริญอาชาตัวเองให้มากที่ส an ุดอย่าเอาชนะคนอื่นพระเจ้าสนเสริญผู้ที่ชนะตัวเองพระเจ้าสนเสริญผู้ที่ทําประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่โลกประโยชน์โจ่ภาษาสนะประโยชน์แก่ธรรม นี่ถ้าเราเชื่อพระเจ้าก็ต้องทําอย่างนี้เคารพพระเจ้าเคารพคนทุกคนในโลกอยู่ตอนนี้แต่ยิ่งใหญ่น้ อ, อยเหลือเกินที่เราอยู่นี่สองสาวั้า น, นี่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกเราก็หลงแรงล้ทุนยาเมซานมาอยู่นี่ทุกเททุกอย่างจานต้มปลาจานหลายลู ก, กมาอยู่ที่นี่ รวมกันให้ได้พลังงานผมไปดูผู้หญิงคนหนึ่งที่ประเทศไต้หวันกับอาจารย์ตุ้มจาร์โ น, นดเง่ยใหญ่มากอ่านรุ่นเดียวขาวเดียวกับหลวงพ่อเดีย่ยมนที่สื่อขี้ผู้หญิงแม่พิกษณีคนหนึ่งอ่านพ่อที่ชัดเลยทำประโยชน์ให้แก่โลกทั่วโลก ไม่สมาชิกทั่วโลกหลายประเทศสร้างลงไปาบานยิ่งใหญ่มากสร้างสถานีสร้างวิทยุโทรทัศน์สีช่องอะไโทรทัศน์สียิ่งใหญ่มากผู้หญิงคนหนึ่ง เราเพีงบินท่าบาทมาฉันเพียงแต่ตอนนี้มันน้อยไอคใิใหญ่ๆเงมันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกถ้าคิดถ้ารวามถูกต้องมีเอาร่วมเยอะแยะช่วยกันจากมือหนึ่งเป็นสองมือจากตาหนึ่งเป็นร้อยตาพันตาร้อยแขนพันขาร้อยสติร้อยเพื่อนปัญญาที่มาร่วมกัน เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความดีขึ้นมาได้คนในโลกก็ต้องการความดีทั้งนัานความถูกต้องทั้งนั้นเราก็ยืนหยัดให้ได้โดยเฉพาะการปฏิบัติวิชากรรมาฐานนี่มีหลักที่จะต้องสร้างสอนชีวิตขึ้นมาให้ถูกทุกสัดส่วนของชีวิตของเรา จะมีอร่ยมากมายแม่จะมีกิเลดพันหาตนา1 0ร้สิ้นซากไปเลยมันไม่มากขนาะดนั้นถ้าเราทำถูกได้เพราะฉะนั้นนี้เรามีหลักอเรชัพภายในภายนอกที่จะใช่ให้เกิ ด, กดประโยชน์เรามีพลังงาน ยิ่งมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งใช้พลังงานได้เยอะเอาพลังงานมาสร้างความดีอย่าเอาพลังงานไปสร้างความชั่วเที่ยวเต่เล่รอนจินเล้าเมายาให้เป็นพระต่อโลกสิ้นเผืองสิ้นพลังงานของโลกเราเป็นนักการเมือเราประหยัดทำให้เศรษฐกิจมันดีใช่แลือ น, น้อย ทำยิ่งใหญ่สร้างวาดัดโูหลงขึ้นมาคือมันยิ่งใหญ่สร้างรั้วตาข่ายเหล็กอ้อมวด 4, ัด 4,000 ไร่เดี๋ยวหลวงพ่อฮหลวงพ่อไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกวัดต่างๆอยู่ในยอดเขาสูง เขาก็เป็นคนเหมือนกันไปปูตานนัดหน้าผาสูงสูงทำไมเขาสร้างได้ใ่ตะปูคอนกรีตสี 3, 000, 3, 000่สามพันเมตรจากระดับน้ำทะเล ส, สูงลดเหลือขึ้นมาได้สัสทพทาถึงขากินไป ศรัทาของคนขาสงขาแขนสองแขนเนี่ยนำขึ้นไปเป็นวัดโตเจงของยิ่งใหญ่ไปอยู่ไต้หวันวัดนึงอยู่หลังเขาสูงสุดเขาเขาก็เจงเราจะเจงเหมือนเขาเขทดลองเขาเขาทดลองเราเาพิสูจน์เราก็ไม่ทราบ ต้อนรับเปลาอยู่ข้างล่างเวลาเราไปเขามาจัดต้อนรัอยู่ข้างล่างวันเาร์หลังเด็กๆมีน้ําชามีน้ําดื่มมีช่นนั่งแล้วก็ไปลงรถที่ข้างล่างแล้วก็พาเดินขึ้นไปฝนก็ตกก็ป๋อ ก, ก็กกหนักเขาก็ไม่ถือให้นะเราต้องล่มให้เฉ ย, เฉย ลกลางลมให้เดินเคียงข้างขึ้นไปกันเ อ, อื้นไปสูงเหงื่อหลใคร ย, ย, ยอยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแล้วไปถึงที่นูน่นที่ฉลานูนน่นหลังเขาเดนมีรถที่เป็นหลายคั น, นยอยู่ที่นูน่นแล้วก็แปลกมันอะไรมาจากประเทศไหนโลกไหนพวกรถพวกนี้าขึ้นมาได้ยังไง เราเดินขึ้นมาก็ล้บาตางปีนขึ้นมาคนก็นั่งอยู่เติมฉลาเลยก็พาเาเข้าไปเข้าไปขึ้นไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปนั่งทรรเทศมาให้นั่งลางหน้าลางตาเลยเงือไหลค้ายยอยอาออกมาเช็ดเงือทั้งเทศทั้งเช็ดเงือเงื้อไหลคายยอยโอ้สนุกตีนี่มาล่กันน่ แล้วก็ตราก็สู้นะต้องเงยไหลกันเช็ดเงยไหลป้าก็เปียกเระเทศานั้นเรก็ตั้งกล้องทรทัศน์ไอทีโอไวต 4, 5, ้ตั้ง4ี่มุมตั้งโจทย์ผู้จิ้ถามไว้ตั้งประเทศโจโปร ๋อ oh, ้โหดีเหมือนกันนะแล้วก็ููก็มาคิดตัวเเขาทดลองรเขาทดลองเรราจะเก่งไหแล้วเาเก่งจริงๆนะคิดว่าเอ้เราก็ทำได้พอเที่ยงจุนั่งกับทั่วสี่โมตัวทัด อ่าวดีกล้องวิอเาวอ่าคำถามที่นึงถามอ่อก็อนี่จะถามหมดหงพ่อพูดไปหมดแล้วไม่ไม่มีคำถามคำถามที่สอ้าถามอ่าหลวงพ่อพูดหมดแล้วไม่มีคำถามสี่คำถามไม่มีคำถาม แจ้งว่าเราเจ็บแล้วพอ่อพูดหมแล้วอ่อาไ่มีคถามก่เลิกหล่ากันไปพอเลิกหล่ากันไปเขาก็พาไปส่งที่พักตั้งตีสองตีนึ่นี่ก็เหื่อยเหงื่ อ, อก็หลออก็พระที่ไปส่งที่พัก ก็มน้ำอุ่น้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำร้อนอาบก็เลยบอกเขาว่าเขาเขาใช่เราขนาดนี้เราก็ต้องใช่เขาบ้างแล้วคุณจะซักผ้าให้เราได้ไหมนะถ้าเราเปื่อนเปียกเหม็นเหงื่อแม้นเขาอะไรโอได้เอาให้เราพวกคุณทําวัดเวลาเท่าไหร่ตีสี่เอามาให้เราก่อนตีสได้ไหม ก็จะได้นุ่งหฮมไปทําวัดร่วมกันเวลาไปทําวัดอ่ะมารับเราด้วยนะเขาบอ ก, กสั่งไปไไเลยแบบปิ้งใหญ่เหมือนกันนะเราก็แสดงาโ อ, อ้ผมก็ยอนกักนไปทัววัดเขาอยู่บนหลังเขาสูงสูงโอ้ยขอสว่างรุ้งแจ้งมาเดินดูไปด้วยมันพอมีทางลงทางขึ้นโอ้ยมันไม่ขึ้นรถมาหน้าเจ้ารถไปรับกันมัน มันแม่รถไปรับไปนะบางมีเขาก็เขาก็โทรมานเรานะเขก็พิสูจนเราดูว่าจะเจงไหมพระาะคำภาษามาจากฝั่งไทยเลยไอ้สฉยก็เขาก็เป็นคนเจกนะ๊งภาษาอะไรพูดหลงแค่นี้ก็ยากเลยของเขามันสิ่งใหญ่สูงแล้วกลัว อ, อะไรพวกหลง มาอยู่เชนี้ก็ชิดถึงบ้านถึงช่อมคิดถึงที่นอนสบายสบายิดถึงตู้เยินที่มีเปิดแล้วก็จิ้นได้มาอยู่นี่ต้องมีอะไรจิ้ก็ตุ้ดหยกหกสู้บ้างสอากลัวเราชีวิตของเราไม่มเป็นเช่นนั่นจะไาหวาตนตอนไม่ไม่รูแล้งไม่รู้ดูฝนดูต้นไมาเป็นอาจารย์แ ด, ดูแล้งไม่มีน้ำาันสลัดใบทิ้ง เสียฉละบ้างให ม, มันก็รักมากสร้างมาเป็นแหลมเือนแหลมไปไม่มีน้ำเลี้ยงสลัดออกทิ้งเลยรักเหมือนพ่อแม่รักลู ก, ลกต้นไม้รักใบอันนี้เสียเฉลอะ้อดทนอดทนระบายเอาเหลือก็ะตะ่แก่นเท้ๆคือของเราไมมีแก่นคือความไม่เป็นอะไรมัมกคนนี้ผ่านแตนแก่น เมือนพระเจ้าสนอนพระอา น, นุนอา น, นุนเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่หยุดนะเราจกขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่หยุดเราจะทํากว่าพวกเธออย่างไม่ทะนุถนอมเหมือนช่างหม้อทากับหม้อย่างเปียกยังดือยู่นะอา น, นุ์ผู้ใดมีเกณสาลเป็นว่าผลนิพพานจริงจะลำดุลยากนะต้องา ม, ามีมรรคผลเป็นเกณฑอยู่ไม่ได้นะอานุ์นะปานนั่นนะพระเจ้าสอน เราต้องขนาบตัวเองจะกินจะนั่งจะนองจะลุกจะตื่นแค่นี้เวลาดใดเชื่อว่าหลงไอชาติหมาไอชาติบ้าแค่นี้ก็หลงแค่นี้ก็ทุกข์ไปเชยแคนี้ก็ไม่พอใจแค่นี้ก็พอใจกิขึ้นหรือวันใหม่ดิขนาบตัวเองดิชี้โทษลงไปขี้โทษลงไปอย่าปล่อยทิ้งมีจิตเป็นพิภาคษาธุลาการ พิภัคษาตัวเองให้เกิดความเป็นธรรมในจมูตกลงสอนตนขอเป็นจาเลยของกิเลสตัณหาเขาให้หลงก็หลงเขาให้ทุกข์ก็ทุกข์ขาให้โกก็โกขให้พอใจก็พอใจเขาไม่ให้พอใจก็ไม่พอใจกลมด้อยกลมดีผู้ผู้แพร่แพร่บ่ให้มันอิจฉาขึ้นไ จนมันไม่เป็นอะไรแล้วนะแต่โลกนี้มีเท่าไหร่ไม่หวันไหวกับอะไรทั้งหมดเลยเราต้องเกอต้องเก็บต้องตายแต่อยังตัววันเราจึงฝึกตนสอนตนมีค่ามากชั่วโมองหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งมันจัดสันให้เราได้ใช้ชีวชิตอย่างเหมาะสม เราเปรียบไว้หน่อยที่พระเจ้าทรงมันยอดประกาศจัดสรรชื่อให้เราได้ใช่อย่างเหมาะสมเลมีกิตวัตริธีวัดเก่าวได้ว่าแต่สแตงออกอเวลาไม่ลาพอดีพอดีเจ้าก็มีเวลาใช้ประโยชน์ใช้ชีวิตของพระองค์เพื่อผู้อื่น เด็กๆ ก, ก็ตอบปัญหาเทวดาตอนิ่ามข้ามรอเยอะๆไปเลยรอนจะลุ้งแจ้งทีสองทีสามก็หยานมองไปหาใครจะสอนใครหนาะจะใครจะพอที่บอกจะสอนได้นอกวันนี้เนาะ การไปสอนคนไปโผล่คนอาศัยบินทบาทออกหน้าทำท่าไปบินทบาทที่ยังอยากไปสอนเขาไปโอดเขาบางทีก็ต้องเสี่ยงถูกด่าก็มีด่าไปสผล่ก่อนพยายามไปโผลเศรษฐีมิฉาทิฐิงูบินทะ บ, บินทบาท อุ้มมาจี้อยู่หน้าบ้านเศรษฐีคิด ท, ทสั ม, มิจฉาทิฏฐิกดหน้าบ้านอยู่ตะโกนบอกว่าทีนี่เขาไม่ให้ไปไปข้างหน้าที่นี่เขาไม่ให้ดอกพระเจ้าเ็ไม่ไปเยอนอุ้มมาอยู่เหรซเศรษฐีก็ยังเห็นนไปก็ยังตะโกนด่ า, ดา บอกแล้วทำไมไม่ไปละ่ะเก็ดเป็นว่าไหนแต่อุ้มจต่โมอดินมาขอข้าวชิ้น ห, หน่อยทำนาทำไรอะ่าอยากดูก่อนพร้อมเราก็ทำนาอยู่ทําม า, าลายโกหกันใจอุ้มบาดมาขอชิ้นอยู่เนี่ยเราก็มีนาหน้านร้บมนละไหนหนาอยู่ไหน พลาดมีไถ่ใดมีอะไรยี่สัยข้าวผุข้าฟันยี่สัยไม่เห็นมีอะไรมีบาทใบเดียวเนี่ยศรัทธาคืดาของเราเรามีศรัทธาเชื่อทำดีได้ดีทำชัวช่วได้ชั่วเรามีน้อมฝนมีความภาคยันรับความชัว่วทำความดีเราไม่สมาร เรามีคาดมีไถเปลี่ยนความราดเป็นความดีเจ่าว่าสมาธิเรามีอะไระศ <c oughs> รัทธาิยะเรามีสติเป็นเข้าปลูกบานลงไปเนื้อเนื่นนะเราได้ผลเอามากินแล้วไม่แก่ไม่เก็บ ไ, ไม่ตาย ความได้ข้าวมาจกินก็ยังเแก่ยังเก็บ ย, ยังตายอยู่แต่เราได้มรด้ผลหมายได้ชีวิตเราไม่มีแกอไม่เมก็บไม่ตายความความกับหวังไม่ขวดฝังอะไรกูจาก็พูดแต่ไปความก็รับบาขึ้นไปบนบ้านอยากให้ไปพูดให้ เออบ้านให้ลูกให้ให้ลูกให้เมียฟังรับขึ้นไปพระเจ้าก็สแสดงทำเบื่อบนบ้านโอ้ชอบก่าพิจฉาทิฐิให้เกิดสัมมาทิฏฐิวัดที่สอก็เป็นบริษัทแสดงตนเปิพุทธมารมกขาบริษัทตั้งเอาข้าวใชบาทมาส่งที่วัดงานเจ้าตกตากันนะพวกเราเนี่ยเพียงแต่อะไรนิดหน่อยก็โกวก ชาติดาของเราเป็นแบบอย่างนะโปรตรองครีมานอยู่เมืองสาวัตถีไม่ใช่สาวัตถีใช่ไหมสาวัตถีหลังตาก็เห็นบ้านโอคริมานกับเชตวันไม่ไกลกัน บ้นอกธมาลกับบ้านอน า, านาวิณฑิกาเศรษฐีไม่ไกลกันกับเชตวัน เ, เ, เจ้าอะไรที่ปวอดวอกธิมาลจะม่ได้อกธิมาลมาอยู่รอบบ้านแล้วก็กเล่าเลย ก, กลัวกันในเมือง ส ว, วัสดีากกา ป, รประกาศจับองค์ธิมานพอประกาศจับองค์ธิมงานค่าก็พระเจ้าอะไรไมารู้จัจบจำบวไดหน้า ก, กาบทวนพระเจ้าปรึกษาพระเจ้าดูแต่พระเจ้าก็ได้ทราบว่าทาหารทหานจะไปข้าองค์ธิมานแล้วทํางาน พ่อแม่ต้องไปบอกลูกชายอาจจะองค์คริสตมาดจำพ่อจำแม่ไม่ได้อาจจะฆ่าพ่อแม่ตายเมื่อฆ่าพ่อแม่ตายก็เป็นอ น, นตะลีกรรมเป็นบาปหนักแต่ทำไงดีต้องปล่อยแม่พ่อรักลูกจะไปบอกองค์คริสต์มาให้หนีไปซะอาจะมาจับแต่ไปบอกกู้ให้หนีอจากแถวนี้ ไปเจ้าคิดไปเองแตกาคิดอาจจะถูกนะเรียงความถูกต้องได้แม่ต้องอดไม่ได้เขาจะฆ่าลูกต้องไปบอกอดไม่ได้หรอกาเป็นพ่อเป็นแม่แลเจ้าแ่แซงไปก่อนซะถ้างั้นเราต้องไปก่อนซะเจ้าก็จะเ ด, ดไปก่อนซะ อ, อนเจ้ามืดเลยรู้ว่าก็ลยเห็นเลยจับตาไปก่อนเลย เราก็วิ่งเหมือนกันนะหยุดหยุดเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดหยุดอะไรวิ่งอยู่เราหยุดแล้วหยุดจากการทบาปทํากรรมเธอยังจับดาบไล่ฟันเราอยู่ตอนนี้ออทิมานได้สติขึ้นมากลายเป็นพระรหันต์ได้กับเดินข้ามาในเชตวัน สมควรเจรเวลาจะไม่จบเราจะบินทะบาอ่ะเมีรถก๊อบคันหนึ่งให้จอนตุมเเอามาบินทะบาทจะดีไหมขออ น, นุอาาาญาตจอมฉานขับรถก๊อบบินทะบาาได้ไหมไ <laughs> <laughs> กล้เกินน่าจะสามสี่มมงก็ได้จอนับพระพ่ัไ